ต้องทําเล่นๆนะทําสบายๆเออนั่นแหละใจเราไม่เป็นกลางเราไม่ได้ฝึกเพื่อละอกุศล น, นะเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปห้ามก็ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันรักษาไว้ก็ไม่ได้นี่ฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้ตั้งเป้าตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติให้ถูกซะก่อนแล้วง่าย ถ้าตั้งเป้าผิดจะยากเช่นตั้งเป้าว่าทำไงจิตจะไม่มีอกุศลเลยทำไงอกุศลจะต้องดับทันทีที่รู้อะไรเงี้ยตั้งเป้าเอางตั้งเป้าอย่างนี้ไม่ดีนะตั้งด้วยกิเลสไม่เป็นไรอะไรก็ได้รู้ไปนะอะไรก็ได้ เราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านี้นะไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดอะไรหรอกเพราั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องค้นคว้าเลยอย่างได้เลยนะงั้นมันจะซอฟต์แลนดิง้งหรือมันจะหลนโครมเลยคือช่างมันถ้ามันซอฟต์แลนดิ้งแล้วใจเรารู้สึกเออแปลกดีชอบอะไรเงี้ยรู้ว่าชอบหรือสงสัยเอ๊ะทาไมคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย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 ไม่ใช่ว่าห้ามโกรธนะไม่ใช่ว่ากโกรธแล้วต้องหายเร็วๆไม่ใช่ต้องการเห็นความจริงเท่านั้นว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วมันไม่ดับทำไงยอยากดับไหมอยากดับรู้ว่าอยากความอยากเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันตัวความอยากเองเงินตั้งหลักให้ดีถ้าตั้งเป้าหมายผิดเคยจะทำพลาดแล้วไม่แค่ระวังเป้าผิดเลยจะเดินผิดด้วยนักปฏิบัติส่วนใหญ่คิดว่า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 เออรู้เฉยๆนะแล้วถ้าใจไม่เฉยเราทาไงใช่ตับถูกเอออย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยประเภทดีฉันสู้ตายค่ะโอ้ไปตายเลยตายแง่แงเลยสู้เวม่มีทางสู้ชนะกิเลสนะไม่มีทางหรอกกิเลสมันเก่งฉลาดที่สุดเลยบางคนบอกว่าจะหลอกกิเลสนะวางแผนใหญ่เลยจะหลอกกิเลสมีแต่ตุกกิเลสหลอกมันฉลาดของคุณนะค่อยฝึกไป หายใจเพื่อจะรู้สึกตัวลองปรับอย่างนี้นะหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกไหมบางทีเราหายใจอยู่จิตเราก็หนีไปที่อื่นเคยเป็นไหมก็ให้รู้ทันว่าจิตเราหนีไปหายใจไปบางทีจิตเราก็เข้าไปเพ่งลมหายใจเคยเป็นไหมรู้จักเพ่งไหม <ừ. S 1> ขอคุณติดเพ่งนะตอนนี้ยังเพ่งอยู่เลยมันจะแข็งแข็งขึ้นไหมงั้น <ừ. S 1> จิตเราไปหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทนัน หายใจแล้วจิตหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันหายใจไปแล้วจิตมีปีติเราก็รู้ว่ามีปีติมีสุขก็รู้ว่าสุขจิตนิ่งนิ่งรู้ว่านิ่งนิ่งจิตสายไปสายมารู้ว่าจิตสายไปสายมาจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่เราซ้อมด้วยการหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตเมื่อเรารู้ทันจิตเราแล้วต่อไปเราลงสนามต่อสู้กับของจริงละนั่งหายใจอยู่ก็คล้ายๆเราเข้าค่ายซ้อมมวย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 จันตูไม่บังคับนะจันตูสบายดวงว่าไงดวงอะไรนะเออดีขึ้นถูกต้องแล้วรู้ตรงความเป็นจริงแล้วใช้ได้ดีแล้วแต่อย่าไปบังคับเขานะเขาดีได้เขาก็แย่ได้เขาสุขได้เขาก็ทุกข์ได้นะดูไปเรื่อยเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เที่ยง เอาจูนว่าไงมเมื่อกี้ทำให้นุชรัตผิดหวังใช่ไมนุชร<อ>ัตเตรียมตอบสู้แล้ว <c oughs> พ่อหันมาทางจูนแทนเออ น, เเ น, น, นะหลวพ่อไม่ให้ตั้งหลักหรอกเออเหรอเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเตรียมอัดไว้ <c oughs> นโดเออเน่ออนั่นแหละดีแล้วแล้วจก็เห็นแล้วหลังจากเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันนใจละเออนก็าแล้วก็เกทว่าอ่ิ้เออดีนะแต่ฝึกไปอย่างนั้นะดีแล้วฝึกรู้ไปอย่างที่เขาเป็นดีละแล้ววันหนึ่งจะเห็นเลยไม่มีจูนออกค่ะคอยากจะรู้สึกว่าจูนมันไม่มีเหมือนตอน้นอกก็เลยคาดหวังนั่นแหละไงอยาก เห็นไหมเกิดความอยากก็คือตัณหาก็เกิดการกระทาคือความจงใจทําเจตนานั่นแหละเรียกว่ากรรมเกิดเจตนาความจงใจขึ้นมาก็เกิดการทํากรรมมีกิเลสคืออยากคาดหวังเกิดการกระทํากรรมที่จงใจทําสติไม่เกิดหรอกกิเลสเกิด เออนั่นแหละดีแล้วดีแล้วนะดีแล้วใช้ได้ตื่นขึ้นมาละหรื อ, อย่างว่าตื่นเป็นไงเห็นรสชาติของความตื่นยังใช่เพราะอะไรเพราะความทุกข์เกิดทีเผลอเท่านั้นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วทุกข์ไม่ได้ดอกดีนะ ด, ดีใจด้วยยังไงรื่มใจนี่นะใจแบบโอ้ยอัศจรรย์ เห็นใครเขาภาวนาดีแนะดีใจกับเขาไปทั่วเลยทําไมไม่อิจฉาเขาบ้างตระกูลเรานี่ไม่เคยอิจฉากคนเะยเห็นใครดีแล้วดีใจดีใจอ้าวนุชรัตน์วันนี้มีหลายนุชนะอ้าวจับถูกนุชรัตน์เน่ยระวังไว้อันเดียวนุชรัตน์ชอบฟงซ่านชับชิดฟงฟงอะไรเงี้ย เนี่ยเนฟุงละรู้สึกไหมจะเริ่มค่ําครวญละรู้สึกไหมกําลังสวมมินยาณค่ําครวนรู้สึกยังรู้ให้ทันนะเห็นไหมมันชอบคล่าครวนดูออกยังให้รู้ทันตรงนี้แหละเมือไพอเป็นแก่แก่แล้วจะเป็นใหญ่แก่ช่างค่ําครวญโอ้ยจะร้ายยิ่งกว่านี้อีกค่ําครวนจนไม่มีใครเขาพบเข้าใจไหมลูกหลานก็ไม่เอายายคนนี้พูดมาก ให้รู้ทันแไปใจมันจะขําคข่วนก็รู้มันนะเป็นไงรู้ลงไปตรงๆแนละ้นะนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมส่งมันทําไมอะ่ะโยนมันทิ้งไปเลยใจถึงถึงเลยใจถึงไหมอยากส่งอ ย, อยากรู้เลยอย่าไปตอบสนองมันนิสัยมันเสียมันอยากรู้เหรอให้มันอดรู้ไปเลย แล้วก็ใครดูซิเคยจะเศร้าโศกไหมไม่เดือนร้านอะไรเลยเนี่ยตื่นแล้วรู้ไหมเนี่ยภาว่าแห่งความตื่นก็อยู่ตรงนี้อย่าไปตัวแต่าตามใจกิเลส น, นะนนนะใช่สิมันจะไม่จะตื่นฝุงขังโสมครามละ่ะ <c oughs> นี่แหละตื่นไปอย่างนี้แหละไม่ให้กันบ้านเราอะโยนลงถังขยะไปเลยนะไม่มีความหมายอะไรเลย ปัจจุบันต่าหากสำคัญรู้ลงปัจจุบันเปนะ็นขณะขณะนะพิเศษที่สุดหละมรรคผลนิพพานก็เกิดอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ <Yeah. S 1> เห็นไหมใจเบิกบานไม่เห็นจะต้องส่งกันบ้านเลยถ้าส่งกันบ้านเราจะฟุ้งซ่านจะยิ่งพูดเราก็ยิ่งมันใหญ่เพราะนั <Yeah. S 1> ้นโยนทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเอารู้ลงปัจจุบันไปนะนไม่เด็ดนี้ลงพ้อสอนแบบปวดร้ายไล่ฟันโชว์โชว์ <laughs> ให้ตื่นเป็นคนๆไปเลยนะเอ้าป้ารวยพูดซะหน่อยเดี๋ยวกลุ่มใจเนี่ยดีใจแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นไหมอยากพูดเต็มทีแล้วดูออกก่อนดูซะ ก, ก่อนแล้วไปคุยทีหลงังอนั่งดูไปใครไม่อยากพูดบ้าง <c oughs> อ้าวโย <c oughs> ว่ามาโยมากับใคร อ่าเป็นไงโย่ลองกลับไปอาขอ ง, ง้อืมอกม็เลยมึนิดอวโอ้ทำไมล่ะอ่านงงแล้วมึนยังไงอ่านแล้วมันเห ม, มือนจิตมันพยยาไปตามหนังสือเซ็นนะจะบอกความลับให้หนังสือเซ็นเขาไม่ได้อ่านเพื่อเอาไว้ทำหนังสือเซ็นนะนะมันจะต้อนหน้าต้อนหลังให้เราเลิกทำนะคะับทอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดผิดผิ ด, ผ ด, ผดไปหมดเลยนะก็เลยเลิก อย่างพระสององค์เสียงกันเห็นลมพัดทงสะบัดเนี่ยนั่งเสียงกันว่าลมมันไหวหรือทงมันไหวอะไรเงี้ยเวลังะวันที่สามเนี่ยไม่ใช่ทั้งคู่จิตมันไหวให้หยุดคิดวัวแต่คิดเรื่องทงกับลมไม่รู้ตัวนั้นคําสอนในเซนนะโยสังเกตให้ดีคําสอนของเซนเนี่ยเ้าสอนให้เราหยุดคิดเขาจะใช้คําพูดเนี่ยดักหน้าดักหลังไอ้ น, นี่ก็ไม่ใช่ น, นี่ก็ไม่ใช่นะ แต่เราไม่มีอะไหนใช่สะกันถ้าเลิกไปเลยเราใช่ <c oughs> เพราะว่าพยายามไปอ่านแล้วพยายามคิดธรรมะไม่ได้มีเอาไว้คิดธรรมะมีเอาไว้รู้รใช่อยู่เฉยๆก็ดีแล้วหลวกปูดูลย์เคยพูดนะประโยคเนี้อยู่เฉยๆก็ดีแล้วแอกเมื่อโอกาสที่จะทําความดีทั้งหลายมันผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็ดีแล้ว อา้าวยมรวยพูดได้เออหรือไปมันอยากพูดเออเห็นไหมเห็นไหมดีไหมไม่เห็นดีแล้วไล้ไม่ต้องพูดดวงเผลอไปแล้วรู้ไหมไปดูป้าหลวยใจเราไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเอา้าวคุณบุปผาเผลอไหมตับถูก นั่งฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นนะนีไปคิดหรื อ, อยางแกนตูตทำอะไรอ่ารู้ทันอย่าไปเกลียดมันนะคุณบรรจงอย่าจงใจเล่นๆขยับก็ขยับเล่นๆนะขยับไป้ีใจต้องเบาถ้าขยับแล้วใจหนักๆทื่อๆนะแสดงว่าจงใจทำละผิดละ อ้าวคุณที่ฝึกอาาานาปนสติใจลอยรู้จักไหมใจลอยแล้วก็รู้ว่าใจลอยไปนะยังบังคับอยู่ทราบไหมพยายามบั ง, บงคับตัวเองขณะนี้สิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปกับบังคับไว้สองอันนี้ผิดเนี่ยผเผลอไปแล้วทราบไหมแวบไปนะนักรบทําอะไรนักรบ <c ười> เรื่คิดจะรู้ทันไป นี่ล่ะนี่ล่ะเก็งหรื อ, อยังเทำไมกลัวอะไรอยู่เนี่ยลูกสาวหลวงพ่อมันตรีกลัวใครไงจูนเผล อ, อยั ง, ยงยใช่ใครมาเรียกจิบอยู่ข้างนอก <c oughs> อา้าวแก้วเป็นไงแก้ววันนี้กับเมื่อวานเป็นไงวันไหนดีกว่ากัน แต่และ ว, วันยังไม่เท่ากันเลยแต่และเวลาก็ไม่เท่ากันแค่ดูออกแล้วใช่ไ่ยในวันเดียวกันก็ไม่เท่ากันดูไปเรื่อยๆนะแต่ใจเราไม่ทุกข์หรอกเราทําความดีไปเยอะแล้วค่อยๆฝึกแปเดี๋ยวเราก็เดินไปจนได้เลยมันอยู่นะแต่มันย้ายเวลามันมาบ่ายๆมาสองตัวแล้ว มันกลัวโยมหลวยกลัวว่ามันเส้นอยู่นี้เดี๋ยวโยมสติแตกนี่คุณบุผาทำอะไรอ้านะรู้แปลกนะห่างวัดไปมันก็จ่อยๆไปหน่อยพอ เ, เข้ามาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวก็ตื่นตัวขึ้นมาก็าจะตื่นตัวได้พักหนึ่ง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 ไม่แค่หายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจมาเป็นเป็นตัวอย่างในการศึกษาแค่ศึกษาตัวเดียวนี้แหละก็บรรลุมรคผลได้หรือบางคนรู้อิริยาบทสี่เอาอิริยาบทสี่มาเป็นตัวแทนในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะศึกษาแทนที่จะต้องรู้รูปทั้งหมดก็มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนนี่ที่ว่ากายในกายที่เรียนยังมีตัวอย่างนันี่สุ่มตัวอย่างมาเรียนก็เป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมด เรียกว่าในกายในเวทนาในจิตเนี่ยไม่ใช่เรียนทั้งหมดแต่เรียนแค่บางอันซึ่งเป็นตัวอย่างเอย่าเราจะทําแบบสอบถามอยากรู้ความเห็นของคนล้านค น, นทําไม่ได้เราก็สุ่มตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่พระเจ้าให้สุ่มนัก็คือสติปัฏฐานนั่นเองอารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นแหละแค่รู้กายที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยก็จะเห็นเลย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 สุขทุกข์เฉยๆสามอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งวันถ้ามันสุขมันทุกข์มันเฉยๆเรามีสติก็คือเรามีสติทั้งวันนี่อารมณ์ที่พรุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาของเราเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันทั้งหมดเลยหายใจเข้าใหายใจออกเกิดทั้งวันยืเนเดินนั่งนอนเกิดทั้งวันเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆเกิดทั้งวันหรือบางทีท่านก็ให้สุ่มบางคนจริตนิสัยชอบคิดมาก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 เพราะฉนการศึกษาธรรมะอย่างนี้เ ร, เรียกว่าทำมาวิจัยะเราวิจัยธรรมว ะ, ะวิจัยธรรมะไม่ได้เรียดทั้งหมดเห็นไหมเราเลือกตัวอย่างของการศึกษาขึ้นมาเป็นเคสสตัี้งั้นวิชาการสมัยใหม่นะตามหลังมาก <c oughs> วิธีการศึกษานะโออัศจรรย์นะพระเจ้าท่ามกลางคนที่ใช้ศรัทธานะพระเจ้าเกิดปัญญาได้ขนาดนี้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 นะธรรมะไม่เอาไว้คิดนะไว้รู้สึกเรอรู้สึกกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะักนะรบทําอะไรนะักรบเออตับถูกหลงคิดหลงคิดเต็มหลงไปตัวไมนะ่งั้นเดี๋ยวเราจะบอกคิดมปนเรื่องธรรมชาติเนะ <laughs> ต็มหลงไปตัวพ่อทําอะไรเออหลงปฏิบัติดี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 เมื่อกี้ทำอะไรนึกออกไหมนยะใจมันหลงออกมานะมันหลงไปหาหลวงพ่อแล้วก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็คอยรู้ไปเรี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยก้าวเป็นไงก้าวโอ้อะไรนะเออตับถูกแม่นทั้งชั้นนี้เรียนได้ดีหมดทุกคนเลยอ้อยว่าไหม ไม่เรียนได้ดีก็ควรจิตติแล้วสิใช่ไหม <laughs> ไปําเอา <laughs> <laughs> <laughs> เรียนกับหลวงปูดูลน ะ, ะสอนสอนะสอนเสร็จแล้วเข้าใจไหมขเข้าใจถ้าตอบเข้าใจไปไปทําเอานะ <laughs> ไล่เลยนะเสียเวลาหลวงพ่อนะใช้เวลาเรียนจากครูบาอาจารย์น้อยที่สุดเลยไปถึงก็ไปถามถามถามถามเสร็จแล้วนะไปละไมเอาละแล้วเรื่องที่ถามมีประโยคเดียว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 นี่พวกเราหลายคนเริ่มต้นต้องไปกำหนดลมหายใจก่อนต้องทำในอย่างโน้อนอย่างนี้ก่อนเพื่อให้สติเป็นเกิดเมื่อสติเกิดเราไม่ต้องทำอะไรนะคอยรู้ค่อยดูไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันก็มีรูปแบบของการปฏิบัติห้ามทิ้งถ้าทิ้งแล้วใจจะอ่อนแอเดี๋ยวเหมือนคุณบรรจงบอกนะมันจะเฉยงั้นะทุกวันทุกวันเราจะคอยรู้นะไหวกลางวันเนี้ยรู้ไปเรื่อย ก่อนนอนนะว้ปลาสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะทำสม่ำเสมอทำไมไม่ให้ทำทั้งวันเราต้องทำมาหากินไงคุณชัดหนีไปไหนวันนี้ทำไมมากันสองตายายลูกหลานญาติมิตรหนีไปหมดคุณยาวเป็นไงคุณยาวสอนที่วัดขาหรือคปะ่ อ๋อไปอยู่อายุทยาเขาครูกรเกษมเกษมก็คอยดูยดไปเรื่อยนะฝากคุณยาวไปดูฝนะึกไปฝึกไปเพ่งไม่เพ่งฝนะึกแล้วไปฝึกเอาเพ่งเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอยสังเกตไปเรนะื่อยไยคุณบุพภา ใครรู้สึกแปลกนะรู้สึกเนะี่ยตั้งใจแล้วทราบไหมให้รู้ทันนะตั้งใจเอาคุณพานิด ช, ชื่อเหมือนวัดที่ <c oughs> คุณยาวอยู่ <c oughs> เออตับถูกใช้ได้ใช่ได้ไดเป็นไงเห <c oughs> มันก็มีแค่นั้นแหละนะแล้วยโยโยง่วงยัง ไม่เพ่งแล้วนะรู้สึกเรารู้สึกใจเราไปเพ่งเรารั่วเพ่งนะสิ่งที่ผิดมีสองอันอันนึงเรียกว่ากามสุขัดหรือการนิโยคอะไรคือกามก็นะคืออารมณ์ที่มายั่วให้ใจเราหลงนั่นเองเรียกว่ากามนะเช่นรูปที่สวยนะเป็นกามมาล่อให้ใจเราหลงเนะสียงมาล่อให้ใจเราหลงนะี่เรียกกามกระทั่งความคิดของเราเองยังเป็นกามได้นะคนก็คิดคิดแล้วก็เพลิดเพลินไป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 นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับตัวเองคุณนึกออกไหมอย่างเราหายใจมาแตก่เกิดไม่เหนื่อยนะแพอเราไปฝึกกําหนดลมหายใจมักจะเหนื่อยหรือเราบังคับตัวเองรู้สึกไหมตัวเราแข็งแข็งร่างกายเราก็แข็งแข็งใจเราก็แข็งแข็งมบนงทีตอนที่เราไม่ได้คิดถึงการปฏิบตัติร่างกายเราก็สบายสบายจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแต่พอเราคิดถึงการปฏิบตัติเราเริ่มตรึงความรู้สึกของตัวเองให้มันนิ่ง การตรึงให้มันนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เห็นใจรักษณ์อย่างใจของเราเราไปเพี่ยงให้นิ่งนะมันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใจรักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกไปนะหายใจไปเราเห็นร่างกายที่หายใจไปบางทีก็เห็นจิตหนีไปเนี่ยเราก็รู้ทันจิตหายใจไปแล้วมีความสุขเราก็รู้หายใจไปแล้วลอึดอัดเป็นทุกข์เราก็รู้หัดคอยรู้คอยดูไป นั้นหายใจไปเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตนะหมุนเวียนไปได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราไปบังคับให้นิ่งมันจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเช่นเราไปกำหนดลมหายใจนะไม่ยอมดูโลกข้างนอกไม่ยอมคิดอะไรเลยรู้แต่ลมหายใจเดียวใจเราจะนิ่งๆยิ่งฝึกไปจนแก่ยนะิ่งนิ่งเก่งเราจะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้ จะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะกลับไปเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเราั้นพอเราฝึกฌานมากพวกที่เล่นฌานมากๆบางทีเลยเห็นว่าจิตนี้เป็นอัตตาพอร่างกายนี้ตายจิตนี้ก็ออกจากร่างนี้ไปรวมกับบรมมาอัตตาปรมาตามันรวมเข้ากับพลมเขาคิดว่ามันเที่ยงมันถาวร แต่การเจริญสติอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเห็นในใจเราเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวต้ายเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเพื่อให้เห็นใจรักไม่ใช่เรียนให้นิ่งหรอกอ้าจูนทำอะไรทำอะไรทียากอยากจะเขียนเพรรู้สึกง่วงมากอือแล้วทำก็ทาไปสมาธิก็พักได้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 นักลบหดูไหมทําอะไรสางทีบางทีเราก็หลงไปดูมันจงใจจะปฏิบัติอ่ะจงใจไปหาอะไรดูมันนะแล้วก็ใครรู้ไปเรืย่ยแล้วก็ดีขึ้นนะไปซุ่มที่ออสเตรเลียเลยดีขึ้นไม่ไอนั่นแหละไม่ต้องทําอะไรนะยืนเดิน <c oughs> นั่งนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยเรยรู้สึกเล่นเล่น <c oughs> แล้วนี่หั่นผักหรือ ย, อยัง โอ้วันนี้มีน้อยสบายสามวันนี้นะสบายหน่อยยแต่ก่อนหน้านั้นนะเหนื่อยเนื่อยมีพวกเจ้าพิดสุดีมาพยายามจะเอารวมการเจริญสติเข้ากับการบำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์นะี่มาชวนคุยเรื่องนี้นะักเวียนหัว <c oughs> ไปตีกับใครมาบ้างยังวันนี้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 ถึงขนาดมีระเบียบเลยนะต้องมีพระประจาห้าองค์อะไรเงี้ยพระภาระเยอะเยอะเดี๋ยวก็ไปชุมเดี๋ยวก็ไปจัดกิจกรรมทําไปนะเป็นที่ของเอกชนแนละทําไปแล้วก็เดือนตุลาทาหนังสือไปให้เจ้าคุณโปรเซนขอพระมาอยู่ขอพระมาสอนกรรมฐาน ก็คือสมทานส่งคนไปเผยแคร่พาก็ไปเผยแพร่ได้อย่างวัดไทยในยุโรปในอเมริกาไม่ใช่วัดหรอกเป็นบ้านคนนั่นแหละเยอะเลยที่เป็นวัดมีนิดเดียวมีไม่กี่แห่งอ่่นนั้นก็เป็นบ้านแต่ทางคณะสงฆ์ส่งพระไปเพื่อเผยแคร่เราก็ทำไปนะแล้วก็ทาหนังสือไปขอบพระแต่เจ้าคุณโปเลย อย่างหลวงพ่อมาอยู่ตรงเนี้ยอุปชาให้มาอยู่ใครจะว่าก็เชิญไปว่าอุปชาสิทำอะไรพอจะรู้อย่างว่าเผลอเป็นไงพอทราบไหมเพ่งเป็นไงของคุณเนี่ยติดเพ่งนะของคุณถ้าเผลอไปคุณรู้ทันมันจะตื่นขึ้นมาแต่เพ่งเนี่ยทั้งๆ ท, ที่รู้ก็ไม่หลุดออกมาให้คุณรู้ว่ากําลังเพ่งอยู่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 พอดับไปเราก็จะหลงครั้งใหม่หรือไม่ก็ไปเพ่งใหม่มีสองอานไม่มีอย่างอื่นหรอกที่ผิดมีแค่นี้แหละถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ที่ผิดนะเดี๋ยวคุณถูกเองคุณอย่าพยายามทำตรงที่ถูกนะโดยนิสัยคุณจะพยายามทำให้ถูกต้องระวังถ้าเราอยากทำให้ถูกให้รู้เลยอยากทำถูกลวคนอีสานบอกอยากทาถูกให้ถามเด็กเลี้ยงกวายําว่าทำยังไงไม่รู้ทาไม่ได้ไม่มี ที่ถูกทำไม่ได้นะแต่เมื่อไรรู้ที่ผิดมานั้นจะถูกเองเอา้าวนุชรัฐเป็นยังไงวันนี้เออใช่ตาบได้ตรงความเป็นจิตใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมใจดีนะม่วงก็ไม่ว่านะดูหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์บางองนะม่วงเหรอไปเดินเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ย อยากกินเหรออดเลยอดข้าวสามวันมันอยู่ที่จดิตคนนะบางคนทำอย่างหลงอาแล้วหงายท้องเลยนะเออทำไม่สำเร็จแต่ว่ามันอยู่ที่จดิตคนอย่างหลวงพ่อนะเคยพาพักพวกกันไปที่หินมักเป้งไปภาวนาตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่มีพี่คนหนึ่งเขาก็เห็นหลวงพ่อนะ เดินเล่นทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ไปชมแม่น้ําโขงโอ้นกสวยตนะ้นไม้สวยอะไรเงี้ยนะแม่น้ําสวยเนี่ยพวกนี้ก็นั่งเอาเป็นเอาตายนะหรือเดินมุดมุดเดินทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อเดินเล่นทั้งทั้งวัดเลยพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่โอ้ดีเพราะวันนานดี <c oughs> อ้เนี้ย ค่อยๆทำไปนะค่อยๆศึกษาไปหลายวันเข้าวันท้ายๆนะบุกเข้าไปหาหลวงปู่เลยหลวงปู่เจ้าค้าต่อไปนี้หนูไม่ปฏิบัติละอ้าวทำไมยังไม่ปฏิบัติคุณปราโ ม, ม้มาเห็นปฏิบัติในยหนูปู่ชมเอาชมเอาหนูทำแทบตายไม่ชมเลยหลวงปู่บอกเขาปฏิบัติไม่ใช่เขาไม่ปฏิบัตินะ คือเขาคิดว่าการปฏิบัติอยู่ที่ท่าทางร่างกายการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ใจนะฮะร่างกายเป็นตัวประกอบ <c oughs> จนตอนนี้แกก็เลยเลิกไปเลยคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> บ่อยระวังนะบ่อยตุกมันเฉียดความเป็นความตายมานะภาวนาดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> ทำท่าจะแซงบ่อยเอาแล้วนะ <c oughs> บอยรู้สึกไหมจิตบอยอะมันหนักกว่าทุกนิดหนึ่งมีน้ำหนักอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมล่ะดูไม่ออกหรอกเพราะเขาเนี่ยนะละเอียดกว่าบอยแล้วล่ะตอนนี้เพราะงั้นบอยรีบไปผ่าสมองซะ <laughs>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 อให้รู้เลยกําลังสงสัยรู้โลงปัจจุบันไปเออนะดูให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันเราก็เกิดสติจิตเคลื่อนไหวเรารู้ทันก็เกิดสติเกิด อ, อันเดียวกันเมื่อจิตเกิดสติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ุศลทั้งหลายก็จะตามมาเป็นแถวเลยเราจะเกิดทีรีโอตัปปะละอายที่จะทําบาปกลัวที่ต่อบผลของบาป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 น้อยู่ที่ความมีสตินี่แหละแตอย่าไปติดแต่เปลือกมันเสวนใหญ่ไปติดอุบายจะลืมหลักลืมรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติกลายเป็นปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัตินะเช่นหายใจจะต้องไม่ให้เผลอเลยดูท้องพองยุบต้องไม่ให้เผลอเลยอยนะ่างเงี้ยเพื่อจะบังคับมันจูนทําอะไรเออมันนานไปหน่อยนึงนะ เผลอได้นะแต่อย่านานนานแล้วน่ากเกลียด <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> เ, ออเวลามันนานนะมันน่ากเกลียดหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะะอุยหาใครสอนซื่อๆตรงๆอย่างหลวงพ่อหายากนะบางคนมันโมโหซิสอนดีๆเนะี่ยบางคนมันโมโหหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เลิกเลย <c oughs> <c oughs> ไปตีกับเขา <c oughs>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 นั่งแก้แก้ไปตั้งหลายเดือนนะตื่นขึ้นมานะเอาอีกและวแอบเดียวไปเรียนอะไรใหม่อีกแล้วรู้ตัวนะเผอนะไม่เพ่งอย่างนั้นไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนั้นนะรู้สึกอย่าให้จิตหลุดออกจากตัวเราอย่ามาสนใจจิตใจหลวงพ่อดูจิตใจของเราเองรู้สึกของเรานะรู้สึกไป ขออย่างมีนักรบคนเดียวบอกพอเป็นเสียงข้างมากหรือข้างน้อยโอ้หลวงพ่อไม่เหนื่อยนะมีลูกสิธิ์อย่างนี้ดูสิหันไปดูเลยอ้ดูสิโอ้สว่างสไยเท่านะเลยเห็นไหมรู้สึกนะรู้สึกดูของเรานะอย่าดูออกนอกดูของเรา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 ของคุณสร้างอบรมจิตใจมาเยอะแล้วอย่าไปเล่นข้างทางเสียเวลาเอาของจริงให้ได้ก่อนของเล่นมันตามมาเองไงบอยพอสบตาหลวงพ่อก็ยังเกรงได้อีกภาวนาดีแล้วละ่ะแล้วโก้หายไปไหนไยตุก๊กรู้สึกไหมใจไม่สว่างเท่าเมื่อกี้ดูออกไหม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 เห็ตรงนี้ก็น่าตื่นตรงนี้ตื่นพอคล้อยหลับปุ๊บหลับเนี่ย <c oughs> เวลาไล่ไปนะอย่างนี้นายจะเริ่มตื่นเป็นแถวนะดักหน้าหลวงพ่อหน่อยฝัอคล้ายหลังก็เอาละหนี <c oughs> เมื่อก่อนหลวงพ่อไปเดียดเด็กหลวงพ่อคืนหลวงปูดดูลไม่อยู่แล้วช้าไปวัดหลวงพ่อคืนกลางคืนนะนั่งสมาธิในศาลาสี่สิบห้าสิบคน หลวงพ่อเขแอบไปจองข้างฝาไว้ก่อนเอไว้นั่งพิงเรามอ้วนนั่งอย่างนี้ไม่ไหวใครนั่งพิงพิงนั่งรถไฟไปทั้งคืนเลยนะเช้าไปวัดท่านอย่างเงี้ยเช้าก็ภาวนาทั้งวันเลยตกค่าท่านเรียกประชุมปฏิบัติโอ๊ยเราจะหลับไี่หลับแหละพ อ, อท่านไล่เลยไปเราก็หลับแล้ ง, งึมหนึ่งพอท่านใกล้จะกลับแล่วเราก็ตื่น ตอาคิด ว, ว่าเจ๋งแล้วนะเพราะว่ามันมืดไม่มีแสงสว่างเลยพอใด้ๆรอบเ้าโดนท่านเปิดโปงแหมอายเขาอายเขาเลยไม่กล้าหลับเลย <c oughs> <c oughs> อยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนสนุกสนุก ม, มีของเล่นเยอะ <c oughs> ยมหลวยกลับมาป่อกลับมา ยิบทำอะไรของคุณทำอะไรอยู่นึกออกไหมเมื่อกี้ทำอะไรบอกหลวงพ่อซิเมื่อกี้ไปทำอะไรใช่ใช่ใช่นะดีนะดีที่เห็นนะใครู้ของเราเรื่อยๆเอาให้พ้นทุกข์ก่อนนะเพราะสมาธิเราเยอะถ้าเราดูออกนอกเดี๋ยวไปรู้ไปเห็นข้างนอกไม่ดีรู้เห็นข้างนอกง่าย แต่พอเราไปรู้ไปเห็นสิ่งภายนอกแล้วจะกลับเข้ามารู้สึกตัวนี่ยากที่สุดเลยเพราะใจใ จ, ใจมันชินที่จะไหลออกนอกนั้นฝึกไหลออกนอกนี่ง่ายแต่ฝึกให้กลับบ้านยากมันใคร้ๆเด็กอะ่ะเด็กมันหนีไปเที่ยวเด็กมันใจแตกนง่ายๆแต่พอมันใจแตกแล้วนะจะพามันกลับบ้านลําบากเราฝึกของเราก่อนนะเชื่อหลวงพ่อจะ อ, อย่าไปเล่นอะไรเลยนะ อาหานิดรู้สึกคุณบรรจงกลับมาใกลไปหน่อยโย่ไงคุณชัดพออย่างถามผู้อาวุโสอ่ะอ๋อเสียงส่วนใหญ่เป็นเสีย ง, <c oughs> ง, ง, งเงียบมาเรียนรักษาศาสตร์สอนเีเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงเงียบเขาเหฮข้างไหนเขาเหฮ